ฉะนั้นพรทุกท่านก่อนหลวงพอ่อจะเทศนะบอกหลักการกันนิดนึงคือเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นเวลาเหมือนนั่งเรากําลังข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ถือว่าธรรม ะ, ะเป็นตัวแทนของท่านนะฉั้นเวลาฟังธรรมฟังเรื่องความสำรวมด้วยความเคารพนะ เราอย่าไปทำอะไรที่มันกวนคนข้างๆเขาทำลายสมาธิในการฟังธรรมของคนอื่นเป็นเรื่องในวงกรรมฐานเนี่ยถือว่าร้ายแรงอย่างสมัยก่อนครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตยอยู่มากเราไปอยู่วัดท่านนะแค่เดินดังนะท่านยังดูเลยว่าถ้าคนอื่นเ็านั่งภาวนาอยู่แล้ว เราไปเดินเสียงดังหรือพูดเสียงดังเนี่ยจิตเขาถอนออกจากสมาธิบาปมากบางคนเ็าอาจจะเกือบจะได้มากได้ผลจิตถอนออกมาก็าไม่ได้ดังนั้นเวลาฟังธรรมนะฟังด้วยความเคารพให้เวลากัรทำสมาไม่นานเท่าไหร่เท่าประมาณ45นาทีเท่านั้นอย่างมากก็ชั่วโมงหน่อยๆ น, ยน้นเราก็สำรวมกายนั่งเรียบร้อย แต่ไม่ถึงขนาดนั่งตัวแข็งแบบนักเรียนเตรียมทหารหรอกนะสำรวมวาจาอย่าคุยกันสำรวมใจนะทางกายเราก็ไม่คว้ากล้องคว้าอะไรขึ้นมาวุ่นวายแล้วเวลาส่งกันบ้านกนะ็ อ, อย่าไปอ้างนะว่าอาจารย์นั้นสอนมาอย่างนี้หลวงพ่อว่าอย่างไงเนะี่ยหนูไปเรียนมาจากวัดนี้หลวงพ่อจะว่าอย่างไง อยนั้นมัหนหลวงพ่อตอบไม่ได้นะเสียมารยาทคลไปวิจารณ์รับหลังเขาไม่ดีฉะนั้นถ้าจะถามอะไรก็บอกว่าเราหลวงพ่อนามมันยังไงมันเป็นยังไงผลเป็นอย่างเนี้ยควรจะทํำยังไงต่ออะไรก็ว่าไปอย่าไปอ้างอิงบางทีบางที่บางคนไปอ้างว่าอาจารย์โน้นสอนมาอย่างนี้หลวงพ่อฟังๆแล้วไม่ใช่หรอกอาจารย์ต้องไม่ได้สอนแบบนั้นนะ เราฟังมาไม่ดีเองนะเาไปอ้างว่าอาจารย์บอกใหม่นั้นเสียอาจารย์ด้วยมื่อเราอย่ไปอ้างเลยนะยิบางคนอ้างหลวงพ่อนะไปวัดอื่นอ้างหลวงพ่อประโมทสอนมาอย่างนี้หน้าตาไม่ได้รู้เรื่องที่หลวงพ่อสอนเลยอย่าบอกว่าหลวงพ่อสอนอย่างนั้นหลวงพ่อสอนอย่างนผู้เราเองนะนไม่ดีงั้นเวลาส่งกันบ้านอะก็อย่าอ้างสำนักโน้นอาจารย์นี้อะไรอย่างี้ เอาแต่ว่าเราภาวนาของเราเป็นยังไงธรนะมรมะจริงๆไม่ใช่ของยากนะไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะศึกษาธรรมะเพื่ออะไรพอเราดูว่าเราจะทำเพื่ออะไรนะเราก็มาเรียนต่อว่าจะทำอย่างไรเราสุดท้ายเมื่อเข้าใจวิธีปฏิบัตินะเราจะรู้เลยว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลอย่างไร คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องที่ว่าให้ศรัทธาเลื่อนลอยเชื่อเชื่อไปก่อนไม่ใช่ทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัตินี่มีเหตุผลหมดเลยว่าทำไมต้องทำแบบนี้ในส่วนมากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านไม่สอนคนรุ่นก่อนเนียครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็ทำเลยไม่ไม่สงสัยไม่ไปถามนะถึงสงสัยก็ไม่ถามอาศัยศรัทธานำหน้าก็ภาคเพียน อย่าครูบาอาจารย์สั่งให้พุโทโธก็พุโทโธเอาเป็นเอาตายอยู่ยงั้นหลายหลายปีท่านสั่งให้ทำอะไรก็ทําไม่คิดมากเลยแต่ว่าคนรุ่นเรานี้ใส่ใจคอไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเราต้องชัดเจนว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรทําอย่างไรไม่งั้นไม่ทําหรอกงั้นเวลาหลวงพ่อสอนเนี่ยจะสอนแจกแจงให้เรารู้เหตุรู้ผลนะถ้าเรารู้เหตุรู้ผลแล้วการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยาก เราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมน่ายากเรียนแสนเขียนอะไระจริงๆไม่ยากอะไรเลยเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาธรรมดาการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นแค่กระบวนการเรียนรู้นะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเรียนรู้อะไรเรียนรู้ตัวเราเองเรียนรู้ลงมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานีก็คือรูปนามกายใจอย่างนี้เองมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราให้มากนะเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริง ว่าร่างกายเนี่ยในความเป็นจริงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่บังคับไม่ได้จิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้แล้วก็เป็นของที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเราจะมาเรียนนะลงมาในกายในใจนี่แหละเพื่อให้เห็นความจริงของมัน ความจริงของมันมีแต่ของไม่เที่ยงความจริงของมันมีแต่ความทุกข์ความจริงของมันมีแต่ของบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ได้เรียนเพื่ออย่างอื่นเล ย, いいยงั้นตัวพระพุทธศาสนาตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาเราก็ตอบให้เสียงดังๆเลยนะด้วยความมั่นใจเลยพราตัวสัมมาทิฏฐิตัวความรู้ถูกตัวความเข้าใจถูกนั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนา งั้เราจะมาเรียนให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกร่างกายนี้จริงๆเป็นอย่างไรนะเข้ามาเรียนให้เห็นว่าจริงๆร่างกายเป็นอย่างไรจริงๆจิตใจนี้เป็นอย่างไรเรียนว่าจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่ไปดัดแปลงเขานะพวกเราจํานวนมากเลยคนจํานวนมากนะเขาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะทำนะคือบังคับกายบังคับใจไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะแทนที่จะรู้ว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะ ก็เริ่มต้นต้องบังคับกายบังคับใจก่อนอย่างเวลาเราคิดถึงการเดินจงกรมเราก็ต้องเริ่มวางฟอร์มใช่ไหมทำแบบขลุ่มๆเดินมีท่าโน้นมีท่านี้นะที่จะเดินพอวางท่าทางร่างกายเสร็จเช่นเอามือวางเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็ทําใจให้คลึ่มๆเนี่ยนะพอคลุ่มทั้งกายขลุ่มทั้งใจได้ที่แล้วก็ลงมือปฏิบัติอันนี้เป็นการที่แทรกแสง แทรกแสงรูปตามกายใจแล้วเราไม่สามารถเห็นกายตามที่กายเป็นนะ้มันเป็นกายที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่เห็นจิตใจที่มันเป็นจริงๆมันกลายเป็นจิตใจที่เราไปปรุงแต่งไปสร้างขึ้นมาเองนิ่งนิ่งเงียบเงียบขึ้นมาเมื่อเราไปดูของปลอมเราไม่ได้เห็นของจริงนะเราจะไปเห็นความจริงได้ยังไงเพราะฉะั้นการที่จะมาเจริญปัญญาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกนะมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจให้มาก ร่างกายจ ร, rings, จริงๆเป็นยังไงก็คอยรู้สึกไปนะแค่รู้สึกเท่านั้นเองจิตใจของเราเป็นยังไงก็แค่รู้สึกไปจิตใจมีความสุขก็รู้สึกอยู่พอตอนนี้เขามีความสุขจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ว่าตอนนี้เขามีความทุกข์จิตใจมีโลภมีโกรธมีหลงก็รู้ว่าตอนนี้จิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงรู้อย่างที่มันเป็นไปด้วยนะมันจะดีมันจะร้ายอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องดีไม่ใช่ว่าต้องสุขไม่ใช่ว่าต้องสงบ นะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เราปฏิบัติให้เห็นว่าทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะทุกอย่างบังคับไม่ได้เราต้องการให้เห็นความจริงตรงนี้ถ้าเราเห็นความจริงได้นะสิ่งที่จะตามมานะก็คือการที่จิตใจนี่จะคลายความยึดถือในกายใน ใ, นใจในรูปนามนี้นะมันเห็นความจริงแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะความรักใคร่หวงแหนยึดถือในร่างกายมันก็จะสลายตัวไป ต่อไปร่างกายจะแก่จิตใจไม่หวั่นไหวยอมรับได้ร่างกายจะแก่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษนะร่างกายจะเจ็บมันก็ส่วนของร่างกายเจ็บมันไม่ใช่เราเจ็บร่างกายแก่มันก็ไม่ใช่เราแก่ร่างกายต่างหากที่แก่ร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายจะตายไม่ใช่เราจะตายเนี่ยถ้าฝึกมากเข้ามากเข้านะมันจะเห็นในร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรา มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนะจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวมันจะมีความสุขมีความสงบอยู่ได้ตลอดเวล า, นะ ท, าทางที่ร่างกายเนี่ยทุกข์ทรมานนะร่างกายของพระอรหันต์นะก็ทุกข์เหมือนที่ร่างกายพวกเราทุกข์นั่นแหละนะแต่ว่าจิตของท่านจะไม่หวั่นไหวนะเพราะท่านเห็นความจริงท่านไม่ยึดในร่างกายทางจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราภาวนามไม่เป็นนะเราก็มุ่งทํายังไงจิตใจจะมีความสุขมีความสงบมีความดี แต่ถ้าเราหัดภาวนาถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะเห็นเลยความสุขก็ขไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงนะทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวเนี่ยพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกมากเข้ามากเข้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะจิตมันยอมรับความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันหมดความยึดถือในจิตใจ ทุกวันนี้เรารักในจิตใจนะเราเที่ยวดิ้นรนหาความสุขมาบำรุงบำเรอให้จิตใจมีความสุขกระทั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็หวังว่าจะมีความสุขทําอะไรทุกอย่างก็เพื่อจะบำรุงบำเรอให้จิตใจมันมีความสุขยิ่งสุขถาวรได้ยิ่งดีอย่างนั่งสมาธิจิตทรงฌานในนี้มีความสุขอยู่นานถ้าตายแล้วเป็นพรหมนะก็มีความสุขอยู่เป็นกับๆนะนานมากจนโลกแตกแล้วแตกอีกก็ยังมีความสุขอยู่ แต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงความแปรปรวนอีกนะถ้าเราเมื่อไร่เราเห็นความจริงนะตัวอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเราเลือกไม่ได้นะถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านี่นานไปจิตมันจะหมดความยึดถือจิตจิตจะสุขก็ไม่หลงยินดีจิตจะทุกข์ก็ไม่หลงยินร้ายนะจิตจะดีก็ไม่หลงยินดีจิตจะมีความไม่ดีปรุงขึ้นมาก็ไม่หลงยินร้ายนะแต่มันจะครอบงำจิตไม่ได้ จะเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปจิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์จิตจะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นเบื้องต้นมันจะเป็นอิสระจากอารมณ์ก่อนต่อ ม, มันเป็นอิสระจากร่างกายต่อา ม, ามันเป็นอิสระจากตัวมันเองตัวจิตเนี่ยเราค่อยฝึกนะจิตจะค่อยหลุดพ้นออกไปปล่อยออกไปเรื่อยเบื้องต้นปล่อยอารมณ์ก่อน <we> are, อย่างพวกเราถ้าภาวนาก ah ับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเนีเราจะรู้จักสภาวะที่จิตเข้าไปจับอารมณ์ ใครเคยเห็นจิตเข้าไปจับอารมณ์ได้บ้างแล้วมันปล่อยของมันได้เป็นคราวคลาวใครเคยเห็นตัวนี้ยกมือให้หลวงพ่อดูซิยกมือหน่อยก้าหันหน่อยนะกล้าฝึกนะแค่เห็นจิตที่ปล่อยอารมณ์ได้รู้สึกไม่มีความสุขมีความสุขมหาศาลในจิตเข้าไปจับอารมณ์นะจะมีความทุกข์ถึงจะเป็นอารมณ์ที่ดีนะถ้าเข้าไปยึดถือก็อยังทุกข์อยู่ถ้าปล่อยออกไปได้นะไม่ทุกข์นะเแค่จับอารมณ์แล้วปล่อยอารมณ์นะ ยรายังเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเลยถ้ามันปล่อยอารมณ์ได้จิตมีความสุขขึ้นตั้งเยอะถ้ามันปล่อยกายได้อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระนาคามีมันปล่อยกายได้มันไม่ยึดกายพวกเราที่อยู่ในห้องนี้คงยังทําไม่ถึงอย่างมากก็แค่ปล่อยอารมณ์นะปล่อยอารมณ์นี่เป็นของไม่ยากอะไรปุถุชนก็ทําได้ถ้ารู้หลักนะคือฝึกเจกนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันเห็นใน ร, ร่างกายไม่ใช่จิตหรอกร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์รูปทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เสียงทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ธรรมารมณ์เรื่องราวที่คิดทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยจิตมันจะถอดตัวออกมาถอยตัวออกมาเป็นคนรู้อารมณ์ก็อยู่ส่วนอารมณ์จิตอยู่ส่วนจิต เนี่ยบางคนภาวนามาตื่นตัวนี้ก็พอใจนะเคิดว่าตรงนี้แหละที่ฝากเป็นฝากตายที่จริงก็เป็นแค่ทางผ่านเป็นจุดเบื้องต้นเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ธรรมะเลยถ้าได้ธรรมะนะก็จะเห็นเลยว่ามีแต่สภาวะธรรมล้วนๆไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีนะมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะเห็นอย่างนี้ได้พระโสดา ภาวนาต่อไปจนเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะจิตหมดความยึดถือในร่างกายหมดความยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายด้วยนะอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีจิตมันจะย้อนทิ้งกายนะมันจะย้อนเข้ามาตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตจะทรงตัวเด่นดวงอยู่นั้นนะทั้งวนันทั้งคืนนะโดยไม่ต้องรักษาคิดดูสิถ้าจิตทรงตัวอยู่ทรงสมาธิอยู่ได้อย่างนั้นนะไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีความสุขขนาดไหน บรรดารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเนี่ยไม่กรรมะคุณอารมณนะ์จิตพระนาคามีเนี่ยไม่ไหลไปหากรรมะคุณอารมณ์นะส่งตัวเด่นดวงทรงสมาธิโดยไม่ต้องรักษาเนี่ยมันมีความสุขกว่ากันเยอะเลยแต่ว่าถ้าสติปัญญามากนะมากพอหลวงปู่ดุลนัางสั่งหลวงพ่อเลยตอนนั้นหลวงพ่อไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะประมาณเดือนกันยาปพนหี2526หท่านก็สอนบอกว่าการปฏิบัตินะขั้นสุดท้ายนะ พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านบอกเลยว่านักปฏิบัติที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอะไรเนี่ยที่ผ่านจุดนี้ได้เนี่ยมีน้อยเต็มทีเลยส่วนมากเนี่ยจะไปเป็นฟลมเป็นผีใหญ่ท่าเรียกผีใหญ่ไม่เป็นฟลอมคืออย่างมากก็แค่ไม่ยึดกายแต่ยังยึดจิตอยู่เนี่ยขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะั้นจะมาปล่อยวางความยึดถือจิตลงไป เมื่อจิตกระทั่งตัวมันเองยังไม่ยึดนะมันจะมีสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเนะี่นเป็นธรรมล้วนๆหน่อยแถวนี้จิตกระทธรรมนี่จะเป็นอันเดียวกันล้วนๆหน่อยจิตกระทธรรมจิตมันทรงธรรมอยู่นะนะเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะธรรมตัวนั้นนั่นคือพระนิพพานและก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะเบื้องต้น่ะเราต้องเป็นพระโสดาคอนพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้มีปัญญาเห็นความจริงน ว่าตัวเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีมีแต่อะไรมีแต่สภาวะธรรมทือสภาวะธรรมก็คือมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมอย่างพวกเราเป็นปุถุชนเราเห็นร่างกายเราก็สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราร่างกายนี้เป็นคนร่างกายนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่นะมีคนมีอะไรขึ้นมาจริง พระโสดาบันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสักว่ารูปเท่านั้นเองเป็นธาตุเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าตธาตุมันจะแตกธาตุมันจะดับเพราะเป็นเรื่องของธาตุจะแตกจะดับไม่ใช่เราแตกเราดับเนี่ยอุตุชนนะจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นตัวเราแล้วเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนได้งั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีก พราะขันห้าหรือรูปนามกายใจเนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตยอมรับความจริงจิตยอมรับความจริงเมื่อไหร่ว่าตัวเราไม่มีมีแต่ว่าสภาวะธรรมของรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับะจะเห็นอยู่อย่างนี้ใจยอมรับตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันอัตภวนาใหม่ๆบางทีก็เห็นแต่ใจยังยอมรับไม่ได้นะ ใจจะสะทกสะทานหวั่นไหวขึ้นมาอย่างภาวนาไปในเริ่มเห็นบางคนนะตั้งเดินอยู่หรือแปลงฟันอยู่นะมาเล่าเรื่อยเเรื่องแปลงฟันเนียตอนแปลงฟันไม่ได้ทําเรื่องอื่นเนี่ยว่างๆใช่ไหมแปลงฟันแล้วเคยฝึกเจริญสติ เ, เคยฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่แปลงฟันแปลงฟันไปนะจิตมันถอยตัวมาเป็นคนดูปุ๊บมันเห็นเลยไอ้ตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราและเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนอะไรเนี่ย เห็นอย่างนี้แทนที่ว่าจะได้มากได้ผลนะยังเห็นที่แรกตกใจว่าตัวเราหายไปตายแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วกลายเป็นท่อนๆเห็นแขนตัวเองเป็นท่อนๆแล้วไม่เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราแล้วตอกตกใจนนทุกร้อนขึ้นมาหวั่นไหวขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมดาเห็นที่แรกนะตกใจแทบทุกคนหรือว่าวันไหวแทบทุกคนแะต้องเห็นซ้าแล้วซ้ำอีกไปเรื่อย สุดท้ายใจมันก็ยอมรับความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเนะนี่ยจุดแรกที่พวกเราต้องมาให้ได้นะคือภาวนาชนิดนี้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราทำอย่างไรเราจะสามารถเห็นได้นะพาให้จิตเรียนรู้ได้พาให้จิตเห็นได้ว่าตัวเราไม่มีนะจิตจะเห็นได้เนี่ยจะต้องมีเครื่องมือสองตัวตัวที่1คือสติ สติเป็นตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวที่2คือสมาธิที่ถูกต้องหือสัมมาสมาธิสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาทํากันนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตมันไหลไปนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นเองนะไม่มีความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานถ้าเราไปดูพจนานุกรมนะคำว่าสมาธนะิเขาจะแปลว่าความตั้งมั่น ในขณะที่ใจของเราคิดถึงสมาธิที่ไรคิดถึงแต่ความสงบทุกจีเลยสงบกับตั้งมั่นในคละอานกันนะแต่ในความตั้งมั่นมีความสงบในความสงบอาจจะไม่มีความตั้งมั่นก็ได้จิตไหลเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะจิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจก็เป็นอันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็เป็นอีกอันหนึ่งส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนะจิตจะไหลเข้าไป รู้ลมหายใจจิตไหลไปจับลมหายใจดูท้องพองยกจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือนะหรือไม่ก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นไปเลยนะถ้าไหลไปคิดเรื่องอื่นไปเลยเนี่ยฟุ้งสันนะ้นถ้าไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นการทําสมะถะนะเพ่งนิ่งๆอยู่ไม่เกิดปัญญาการสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งนะจิตจะต้องถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้สมัยก่อนสักสามสิบปีก่อนนะ ตะเวนเข้าวัดครูบาอาจารย์นีเข้าวัดไหนวัดไหนแลท่านพูดคําว่าจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้จิตผู้รู้นะจิตทําไมเป็นผู้รู้ก็จิตนัไนหลเป็นผู้รู้แต่เราแทนที่ให้จิตเป็นผู้รู้นะเราเอาจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอุตรุดเลยจิตไม่ได้เป็นผู้รู้สักทีงั้นท่านเน้นท่านย้ามากเลยว่าต้องฝึกสมาธิจนจะทั่งจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมา มเมื่อไหร่เรามีจิตเป็นผู้รู้คือจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะสติระลึกรู้รูปธรรมมันจะเห็นทันทีรูปธรรมนั้นไม่ใช่จิตหรอกรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่สติระลึกรู้นา ม, มารำเช่นรู้ความสุขความทุกข์รู้ความโลภความโกรธความหลงจะจะเกิดปัญญาในขณะนั้นเลยเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นสภาวธรรมที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยก่อนที่จะเดินปัญญาได้เราต้องมาพัฒนาเครื่องมือสองตัวคือสติกับสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องถ้าจะเรียกให้ถูกก็ยังไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรอกนะสัมมาสมาธิจะเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคอันนี้เรียกโดยอนุโลมเท่านั้นเองถ้าจะเรียกให้ถูกภาษาจริงๆนะก็คือต้องฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานฌานคือสมาธิชนิดที่ สามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ไม่ใช่อารมมณูปนิชฌานจิตสงบเพ่งอารมณ์ัเดียวนะส่วนใหญ่ที่ทํากันนันไม่ติดอยู่ในวอารมณ์ัเดียวดูท้องผองยุบก็เพ่งท้องหายใจก็เพ่งลมหายใจเดินจงกรมก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายแม่ก็เพ่งเทา้านะี่ส่วนใหญ่ทำไม่เป็นนะอาภัพมากเลยนักปฏิบัติเรานะลําบากแทบเป็นแทบตายนะแต่ว่าสมาธิไม่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดออกนะ นั่นต้องมาฝึกให้ได้สติที่ถูกต้องฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องสองอันนะที่เราจะต้องฝึกให้มีขึ้นมาให้ชำ น, นิชำ น, นานสติจะฝึกได้ยังไงสมาธิจะฝึกได้ยังไงถ้าฝึกได้2ตัวนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญาปัญญาคือการเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนั่นอันแรกฝึกให้มีสติปกติเนี่ยจิตของเรามันจะลืมตัวเองตลอดไม่จะล่องลอย หนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตั้เอาเข้าจริงตั้งแต่เกิดจนตายวันเวลาที่เราจะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเนี่ยมีน้อยเต็มทีวันเวลาที่เราลืมกายลืมใจหลงไปที่อื่นเนี่ยมีมากนับไม่ถ้วนเลยนะอย่างเราตั้งแต่ตื่นนอนสังเกตไหมตั้งแต่ตื่นนอนเรารู้สึกกายรู้สึกใจสักกี่ครั้งกี่นาทีในเวลาที่เราหลงไปคิดเรื่องอื่นนะมันมากมายมหาศาลขนาดไหน เนี่ยปกติเนี่ยจิตมันจะล่องลอยนะมันจะเลื่อนลอยไปเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเมื่อไหร่มีกายก็ลืมเมื่อไร่มีใจก็ลืมนะใจเป็นสุขก็ไม่รู้ใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ใจดีก็ไม่รู้ใจโลภใจโกรธใจหลงก็ไม่รูนะ้ตรงที่เราลืมกายลืมใจของเราเองที่แรกเรียกว่าขาดสตินะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมาฝึกให้มีสติคือรู้สึกกายรู้สึกใจแค่รู้สึกนะอย่าเพ่ง แค่รู้สึกนะถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจอันนี้หย่อนเกินไปถ้าเมื่อไหร่กลัวจะลืมกายลืมใจแล้วก็จ้องนะเคร่งเครียดในการจ้องกายจ้องใจของตัวเองอันนี้ตึงเกินไปไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางนั้นแค่รู้สึกเท่านั้นเองมีร่างกายอยู่ก็แค่รู้สึกถึงร่างกายไม่ลืมมันแต่ว่าไม่ได้นั่งเพ่งไว้นะมีจิตใจก็แค่รู้สึกถึงจิตใจจิตใจเป็นสุขก็กรู้สึกรู้แล้วอ้อมันมีความสุขขึ้นมาแค่รู้นะอย่าไปเพ่ง ถ้าใจลอยไปก็มีความสุขก็ไม่รู้มีความทุกข์ก็ไม่รู้มีกุศลอกุศลไม่รู้นะแต่ถ้าเพ่งเอาไว้เนี่ยรู้นะแต่ทื่อๆแข็งทื่ อ, อ, อ, อหนั ก, นกแน่นแข็งซึมทื่ อ, อไปนันะสุดโต่งไปข้างเพ่งข้างบังคับก็บบใช้ไม่ได้ลืมกายลืม ใ, ใจก็ใช้ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจก็ใช้ไม่ได้ลืมกายลืม ใ, ใจก็เป็นกามสุ ข, ขานิการโยกตามใจกิเลส เพ่งกายเพ่งใจก็ทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากร่างกายก็แข็งใจก็แข็งนะก็ใช้ไม่ได้เราต้องมาฝึกแค่รู้สึกนะมีร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเอาแค่รู้สึกลองพยักหน้าสิลองพยักหน้าแค่รู้สึกแค่รู้สึกถ้าเพ่งจะเป็นยางไงถ้าใจลอยอะไรก็ได้โทรศัพท์ไปดูคนตอนโทรศัพท์นั่นแนะ ตอนนั้นกำลังขาดสติร0 0เเนเลยนะเวลาโทรศัพท์สังเกตให้ดีพอจะนึกออกไหมนะอย่าให้พลาดไปสองอันนะอันหนึง่งลืมกายลืมใจอันนี้ย่อหย่อนเกินไปอันนึงเพ่งกายเพ่งใจอันนี้ตึงเกินไปทางสายกลางแค่รู้สึกเราต้องมาซ้อมนะต้องซ้อมเมื่อต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนใครเคยพุโทโธก็หัดพุดโทโธ ใครเคยรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจใครเคยดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบนะใครจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตไหมทำกรรมฐานนะแล้วแค่รู้สึกอย่าถ้าขยับมือนะก็คแค่รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็แค่รู้สึกอยู่เวลาใจลอยสมมติเราเคยหัดขยับแล้วก็รู้สึกหัดขยับแล้วรู้สึกนะต่อมาเราใจลอย พอล่างกายมันขยับตัวโดยม you know right. ันจะรู้สึกโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกโดยไม่เจตนาจะรู้สึกหรืออย่างเราหัหายใจหายใจออกคอยรู้สึกตัวหายใจเข้าคอยรู้สึกตัวไม่เพ่งนะเอาแค่รู้สึกแล้วก็ไม่เผลอหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวแค่คอยรู้สึกคอยรู้สึกนะต่อมาเนี่ยพอเราขาดสติเราเผลอ พอเพลออย่างเรากโกรธขึ้นมาเราไม่ทันจะรู้ว่ากโกรธนะพอโกรธปุ๊บลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะหรือเวลามีราคะขึ้นมานี่ลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะเวลากิเลสมันแรงลมหายใจมันจะแรงขึ้นพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวนะสติมันจะจับได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะสติมันเคยรู้สึกที่ลมหายใจตอนลมหายใจมันเพลนๆไปก็เพลอไปบ้างนะพอลมหายใจมันเปลี่ลนะลยจนจังหวะนิดเดียวสติระลึกได้เองเลย หรือเราขัดเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะแต่มาใจลอยไปเกิดขยับตัวปั๊บเนี่ยจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยสติมจะเกิดน้ำจะรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาได้เงั้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้สึกไว้หายใจไปก็เห็นร่างกายมันหายใจคอยรู้สึกไปอย่าใจลอยไปแล้วอย่าไปเพ่งไปแค่รู้สึกนะจะดูท้องพองยกก็ดูไปก็รู้สึกอยู่เห็นท้องมันพองรู้สึกถึงท้องที่พองรู้สึกถึงท้องที่ยุบ เดินจงกลมก็เห็นรู้สึกถึงร่างกายที่เดินนะหรือจิตใจแอบไปคิดก็รู้สึกว่าอ๋อตอนนี้จิตใจไม่แอบไปคิดละอาจรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปสติมันจะเกิดพออะไรเกิดขึ้นนะร่างกายเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวหายใจเปลี่ยนนิดเดียวหรือขยับตัวนิดเดียวสติมาเองเลยไม่ได้เจตนาหรือความสุขความทุกข์แปลกปลอมเข้ามาในใจนิดเดียวสติมาเองเลยไม่ได้เจตนานะกิเลสมาความโลภความโรกรธความหลงมานะสติระลึกปั๊บเลยไม่ได้เจตนา นะรู้ขึ้นมาเลยว่าโปรดแล้วโลภแล้วหลงแล้วนะดีใจแล้วเสียใจแล้วนะต้องคอยฝึกนะอยู่ๆไม่เป็นเราต้องฝึกเอาฝนะึกคอยรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจแล้วก็อย่าลืมกายอย่าลืมใจไม่เอาสองานลืมกายลืมใจเนี่ยหย่อนเฟือนไปเพ่งกายเพ่งใจตึงเกื่นไปนะหันรู้สึกเรื่อยต่ไปร่างกายมันเคลื่อนไหวสติก็จะรู้ขึ้นมาเองโดยไม่ได้เจตนาจะรู้ ใจิตใจเคลื่อนไหวสติก็จะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ต้องฝึกจนกระทั่งรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะหรือจะใช้ได้ถ้าอย่างเจตนาจะรู้เนี่ยจะไปตึงเกินไปมันจะเพ่งนะต้องให้มันรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองฟังเหมือนยากนะบางคนฝึกเดือนนึงก็เป็นละเนะครรู้สึกอยู่เรื่อยๆเครรู้สึกตัวอย่าใจลอ ย, อยพูดภาษาไทยง่ายๆนะรู้สึกตัวไหมอย่าให้ใจลอยไปแล้วก็อย่าไปนั่งจองนั่งเพ่งนะ แค่รู้สึกแค่รู้สึกนะจำประโยคนี้ไว้นะแค่รู้สึกเท่านั้นอย่าให้มันเลื่อนลอยไปอย่าไปเพ่ง น, mm. นีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกนะคือสมาธิที่ถูกต้องเราก็ใช้วิธีอย่างเดิมทำกรรฐานเหมือนเดิมแหละแต่คอยรู้ทันจิตนะคอยรู้ทันจิตไม่ใช่คอยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงถ้าเรา ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ร่างกายเปลี่ยนแปลงรู้จิตใจเปลี่ยนแปลงรู้นะอะไรเปลี่ยนแปลงเรคอยรู้ไปเรื่อยเนะี่ยเราจะได้สติขึ้นมาแต่ถ้าจะฝึกให้เกิดสมาธิก็ทํากรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่เคลื่อนไปสมาธิกับความฟุ้งซ่านนะตรงข้ามกันถ้าเมื่อไหร่ฟรุ้งซ่านเมื่อนั้นก็ไม่มีสมาธิเมื่อไหร่มีสมาธิเมื่อนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านเราอจะไปห้ามจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้ หลายคนนะเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิ ї, แล้วก็บังคับจิตไม่ให้ฟุง้งซ่านเราทําสิ่งซึ่งเป็นไม่ได้จริงจิตเป็นของบังคับไม่ได้จิตเป็นอนัตตาอยู่ๆไปสั่งไม่ให้ฟุง้งซ่านเป็นไปไม่ได้ให้ยอมรับความจริงไปเลยว่าจิตยังไงก็ต้องฟุง้งนั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่จิตฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันอย่าไปห้ามมาพุโทโธแล้วห้ามฟุง้งซ่านหายใจแล้วห้ามฟุง้งซ่านถ้าห้ามได้ก็กลายเป็นว่าจิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตา ความจริงไม่มีใครห้ามได้เพราะงั้นให้เรารู้หลักตัวนี้นะแล้วเราก็คอยรู้ทันเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าหรือดูท้องพองดูท้องยุบหรือเราบริกรรมพุทโธพุทโธนะถ้าจิตมันหนีไปคิดมันเคลื่อนไปคิดมันไหลไปคิดเนะีเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนไปและหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่า จ, จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูท้งองพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องคอยรู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ท้อง แล้วจิตนี้วิคิดก็รู้จิตไหลไปหยุดในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็รู้นะจิตมันเคลื่อนไปให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนเมื่อไหร่ น, นะสมาธิที่ถูกต้องคือความไม่เคลื่อนหรือความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพรามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเมื่อไหร่แสงสว่างปรากฏเมื่อนั้นความมืดก็หายไปก็ใช้หลักอันนี้เองนะเราไม่ต้องไปไล่ความมืดหรอกเราทําแสงสว่างให้ปรากฏขึ้น พยายามไปไล่ความมืดทําลายความมืดทําลายไม่ได้หรอกเราทําแสงสว่างให้ปรากฏขึ้นความมืดมันก็หนีไปเองเรามีสติขึ้นมานะความฟุง้งซ่านก็ดับไปเองสมาธิก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องสั่งให้จิตมีสมาธิเลยจิตจะเกิดสมาธิเองดูสิ ง, ง่ายจะตายไปนะนตอนหลวงพ่อเด็กๆ ก, ก็หัดนั่งสมาธินะหัดนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งไปเรื่อยฝึกอยู่นานนะปอดใจจะสงบฝึกอยู่ทีแรกฝึกได้สักเจวันไม่เกินนะนะั่นเนาะ จิตสงบแต่ไม่มากยังไม่เข้าฐานมันสว่างออกไปข้างนอกนะออกไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวอะไรนะถ้าไปเรียนตามสำนักสก่งจิตออกนอกแล้วก็ะจะเป็นลูกศิษย์เอกเลยลนะเพราะว่าส่งจิตออกนอกมาตั้งแต่เล็กเลยนะต่มมากลัวนึกขึ้นได้ว่าถ้าออกไปข้างนอกเจอเทวดาไม่กลัวนะถ้าเจอผีเนี่ยกลัวลืมไปว่าเาก็โอปปาติกาด้วยกันนะนะแล้วก็เลือกกลัวกลัวผี ก็กลัวว่าจิตจะออกต่อไปนี้เวลาภาวนาพระจิตจะเคลิอมจะเคลื่อนออกนะก็รู้สึกตัวขึ้นมาไม่ให้เคลื่อนนะกลายเป็นว่าฝึกเจอทั้งจิตมันตั้งมั่นอยู่จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวหายใจอยู่รู้สึกตัวอยู่หายใจรู้สึกตัวจิตไม่เคลื่อนนะเจอครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่สิมอะไรนี่ท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทําอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทําอย่างนี้เรียกว่าผู้รู้ทําไมเป็นผู้รู้ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้นั่นเองนั่นเราต้องมาฝึกนะ ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือที่เท้ารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนั่นแหละความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเรายิ่งรู้ทันว่าจิตเคลื่อนมากเท่าไหร่นะสมาธิยิ่งเกิดถี่ขึ้นเท่านั้นไม่มีคาว่านานนะก็เกิดเป็นขณะขณะขณะนะ เกิดบ่อยๆไม่ใช่เกิดนานๆแต่พอมันเกิดทียิบขึ้นมามันจะมีรู้สึกมีความรู้สึกนะว่าเหมือนมันตั้งมั่นอยู่นานเลยส่งตัวทรงความรู้ตัวอยู่ได้เป็นวันๆเลยบางทีส่งอยู่ได้หลายวันนะถ้าออกจากสมาธิลึกๆมานะจิตจะส่งตัวเป็นผู้รู้อยู่หลายวันแต่ถ้าอาศัยสมาธิแค่คณิกะสมาธิแค่ช่วขณะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้จะได้คณิกะสมาธิอันนี้จะส่งไม่นานจะอยู่ช่วงขณะแล้วก็ดับ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เคลื่นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เคลื่อนนะสลับกันอย่างนี้อย่างรวดเร็วเลยสุดท้ายปัเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรูปั๊บนะน่าจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวหยุดได้ตลอดเวลานะมันเหมือนไฟฟ้าที่มันเกิดดับอยู่วินาทีหนึ่งหลายสิบครั้งอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันคงที่อยู่สว่างคงที่อยู่อย่างนี้จิตนี้ก็เหมือนกันความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดวปั๊บดับปั๊บด มันจะมีความรู้สึกเหมือน เ, เ, เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะงั้นเราทยายามฝึกนะฝึกให้ได้ฝึกให้ได้สติด้วยการคอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกฝึกให้ได้สมาธิด้วยการคอยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่รู้ทันดังนั้นบทเรียนที่ฝึกให้ได้สมาธิท่านถึงเรียกว่าจิตสิกขาเนะห็ได้ยินไหมใจสิกขา อาทีศีลศิกขาการฝึกให้ได้ศีลอย่างยิ่งอที่จิตศิกขาการฝึกให้ได้สมาธิอย่างยิ่งจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองนะแล้วถึงจะถึงขั้นปัญญาศิกขาขั้นเจริญปัญญางั้นเราต้องมาฝึกนะมาฝึกจิตฝึกใจของเราจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันในที่สุดจิตจะได้สมาธิขึ้นมาพอเราได้เครื่องมือ2ตัวแล้วต่อไปนี้การปฏิบัติจะไม่ยากอะไรแล้วนะมีเครื่องมือแล้วนี่ จะทำงานก็ไม่ใช่เรื่องยากเราก็ใช้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วสอนอีกนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ขณะที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจิตที่เราฝึกมาจากการที่ฝึกให้มีสมาธินี่เองจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้มันจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา ประโยคที่ว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยถ้าขยายความออกไปนะจะขยายได้เป็นวันๆเลยย่อลงมาแล้วเหลือประโยคเดี่ยวนิ่งนะหลักของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยให้มีสติเครื่องมือก็คือมีสติมีสติไปทาอะไรมีสติไปรู้ไม่ใช่มีสติไปเพ่งนะมีสติไปรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจ เรารู้ยังไง ร, รู้อย่างที่กายเป็นรู้อย่างที่ใจเป็นเรียกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกายมันเป็นยังไงกายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจเป็นยังไงใจไม่เที่ยงใจเป็นทุกข์เป็นอนัตตางนั้นประโยคที่ว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นในกายเกิดอะไรขึ้นในใจนะสติเป็นคนรู้นะเราจะเห็นเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของ บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจการที่จะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงว่าเป็นไตร ล, ลักษณ์ไดนะ้มีเงื่อนไขว่าต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะอันนี้ที่ฝึกสมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางจิตไหลแล้วรู้จิตไหลเรา ร, หหา ร, ารู้จะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นกลางนะร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้แต่จิตเป็นคนดูอยู่ต่หากมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตก็อยู่ส่วนจิตเป็นคนละอันนะไม่ใช่รวมเป็นอันเดียวกัน กายกับจิตนี่แยกออกจากกันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเวลามีความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายหรือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นที่จิตสติไปรู้จิตตั้งมั่นอยู่มันจะมีความรู้สึกว่าความสุขความทุกข์ทั้งหลายแหล่ในกายหรือในจิตนั่นนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้านะหรือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นสติไปรู้ทันว่ามีความโลภสติไปรู้ทันว่ามีความโกรธมีความหลงมีความฟุ้งซ่านมีความหดหู่ มีความดีใจเสียใจอะไรเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันนะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยว่าความโลบความโกรธความหลงความดีความชั่วนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะมันไม่ใช่จิตนะมันแยกออกไปจากจิตนะมันแยกออกไปจากจิตจิตเป็นคนดูเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฝึกอย่างนี้ได้นะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วสติะระลึกลงที่กายก็จะเห็นว่าก า, กายก็เป็นคนละอันกับจิต จิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นว่าเวทนากับจิตน่ะเป็นโคนละอนกันนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้กิเลสที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่ากิเลสกับจิตน่ะเป็นโคนละอนกันนะและต่อไปละเอียดมากขึ้นนะจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงก็เป็นคนละอนกันจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูเกิดแล้วดับเกิดที่ใจเกิดแล้วก็ดับนะอันนี้ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวภาวนาไปสักช่วงหนึ่งก็เห็นเองแหละนะ เมื่องตอนนาจิตโลบตรวดหลงอะไรขึ้นมาค่อยรู้จะเห็นว่าโลภตรวดหลงก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าการที่เราสามารถแยกได้ว่าร่างกายไม่ใช่จิตสุขทุกข์ไม่ใช่จิตดีชั่วไม่ใช่จิตนีฝึกแยกอย่างนี้นะในทางปริยักษ์เนี่ยเขาเรียกว่านามรูปปริเฉทายานนามรูปปริเฉษทายานนะคือมีปัญญาแยกรูปนามได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่อย่างนี้เรียกนามรูปปริเฉทายาน หลวงตามหาบัวท่านสอนนะบอกว่าถ้าไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้น ะ, นะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาท่านสอนอย่างนี้นะงั้นก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามได้นจิตตั้งมั่นขึ้นมารูปนามมันจะแยกออกไปกายก็แยกออกไปส่วนนึงจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์แยกออกไปจิตเป็นคนดู ครูสอนนะครูสอนแยกออกไปจิตเป็นคนดูเนี่ยถ้าแยกได้นะถึงจะเจริญปัญญาได้เนี่ยทั้งปริยัตทั้งปฏิบัตนะลงมาตรงกันเป๊ะเลยทางปริยัตเนี่ยปัญญาขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามนั่นแหละทางปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนให้มีจิตผู้รู้ถ้ามีจิตผู้รู้ได้มันก็แยกรูปแยกนามได้นะออย่างหลวงตามหาบัวฟันธงเลยว่าถ้ายังแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันไม่ได้ท่านใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันไม่ได้ อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนั้นต้องหัดแยกให้ได้ก่อนนะปฏิยัติกับปฏิบัติเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยจะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยนั้นถ้าเราแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะแล้วบอกว่าทำวิปัสสนาเนี่ยแขวนป้ายวิปัสสนาเยอะมากเลยนะแต่แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นหรอกนะเวลาเดินจงกรมก็เห็นร่างกายเดินนะใจก็ไปจับอยู่ที่ร่างกายจับอยู่ที่เท้าวางจับร่างกายทั้งร่างกายไม่แยก ดูท้องพองยุบนะใจก็เกาะอยู่ที่ท้องนี่ก็ไม่แยกนะรู้ลมหายใจจิตจับอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็ไม่แยกนะแล้วค่อยๆฝึกนะจนจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้วิธีที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยสอนแล้วนะว่อยทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปโดยเฉพาะเคลื่อนไปคิตเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันปับ๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาอัตโนมัติเลยถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะถ้าไปเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางเป็นกลางเป็นยังไงตั้งมั่นเราก็รู้แล้วนะตั้งมั่นก็คือตรงข้ามกับฟุ้งซ่านตรงข้ามกับไม่ตั้งมั่นตรงข้ามกับเคลื่อนไปตั้งมั่นก็จิตเป็นคนดูไม่เคลื่อนไปเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นสุขทุกข์เคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นกิเลสเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูน้ำแยกออกมันเป็นคนดูแต่อย่าจงใจแยกนะเวลาฝึกให้มีตัวรู้เนี่ยอย่าจงใจดึงตัวรู้ออกมา อย่าจงใจดันอารมณ์ออกไปนะให้มันแยกเองด้วยการรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปถ้ารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปแล้วเขาแยกของเขาเองเนี่ยจะพอดีจิตจะพอดีนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจงใจแยกนะจงใจดันอารมณ์หรือจงใจดึงจิตขึ้นมาเนี่ยจิตจะแข็งเลยนะแข็งก็ด้างแล้วไม่เดินปัญญาล้วจะทื่อๆ อ, อ, อยู่อย่างนั้นเองนะตึงเกินไปอย่างนั้นให้ฝึกเป็นขั้นเป็นตอนนะให้ฝึกไปหลวงพ่อเทศเนี่ยจําไม่ได้หมดหรอกนะ ถ้าเขาอาจเต็มไ้ก็ไปขอเขาฟังนะฟังแล้วฟังอีกนะเดี๋ยวก็เป็นไม่พวกเราไม่ใช่คนโง่หรอกเพียงแต่เป็นคนใจเสาะขี้เกียจบ้างนะะคําว่าขี้เกียจบ้างเนี่ยสุภาพนะขี้เกียจมากภ <c oughs> าวนาน้อยนะอยากได้มากฝนแต่ภาวนาน้อยน้อยน้ยนยเอาเวลาตามกิเลสซะเยอะเลยเอาเวลาตามพระนี่น้อยมากเลยงั้นพยายามฝึกนะ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันเป็นไงรู้เป็นไงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นแล้วก็พอไปรู้นะทีแรกมันจะไม่เป็นกลางหรอกพอไปเห็นความสุขมันก็พอใจไปเห็นความทุกข์มันก็ไม่พอใจไปเห็นกุศลมันก็พอใจเห็นอกุศลไม่พอใจเนี่ยให้เรามีสตินี่แหละรู้ทันจิตเข้าไปเวลาจิตมีความพอใจให้รู้ทันจิตมีความไม่พอใจให้รู้ทันนะพอเรารู้ทันปุ๊บ ความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีร้ายจะดับอัตโนมัติจิตจะเป็นกลางนะเราจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางขึ้นมาอาศัยการที่มีสติรู้ทันจิตที่หลงยินดียินร้ายเห็นสาวสวยขึ้นมานะใจมันชอบรู้ว่าชอบนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจกลัวรู้ว่ากลัวนะนี่พอเป็นนักปฏิบัตินะเห็นใจชอบชอบไปเห็นสาวนะใจเกิดราคะยินดีพอใจมีราค้าขึ้นมา นักปฏิบัติวุ้จิตมีราค้าไม่ดีเกลียดมันอยากให้ราค้าหายอันนี้แหละไม่เป็นกลางละให้รู้ทันซ้อนลงไปอีกทีขั้นแรกรู้ทันความรู้สึกรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานะขั้นที่สองรู้ทันปฏิกิริยาของจิตใจต่อสภาวะอันนั้นนะเช่นความสุขเกิดขึ้นพอใจให้รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นไม่พอใจให้รู้ทันนะอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจสภาวะต่างๆนะความโลภเกิดขึ้น ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจความดีเกิดขึ้นพอใจรู้ว่าพอใจเนี่ยใครรู้ทันลงไปใ น, นสุดจิตมันจะตั้งมั่นด้วยแล้วก็เป็นกลางด้วยถ้าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางได้นะมันคือไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงสุดท้ายจิตจะเห็นสภาวะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงสภาวะทั้งหลายจะ จะผ่านมาผ่านไปจิตไม่ไปแทรกแซงนี่จะเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั่นแหละคือความจริงละถ้าเห็นความจริงคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานพวกเราได้ยินชื่อวิปัสสนามามากนะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าทํำยังไงถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องทําวิปัสสนาไม่ได้นะปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยสมาธิที่ถูกต้อง นี่บางคนก็พูดกันนะว่าต้องทําสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาพูดอย่างนี้ยังหยาบเกินไปเพราะสมาธิมีหลายชนิดต้องทําสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นซะก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ถึงจะถูกบอกต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาอันนี้เข้าใจผิดแล้วสมาธิหลายชนิดเลยที่นั่งแล้วไม่มีปัญญานะขวางการเดินปัญญาด้วยซ้ําไปนี่สมาธิออกนอกนะหรือสมาธิเคลอบเคลิ้มนะพวกนี้ไม่ทําให้เกิดปัญญา เป็นสมาธิที่ทําให้หลงโลกด้วยซ้าไปนะเพลินหรือสมาธิไปติดอยู่ในความนิ่งความว่างนั่งแล้วก็ว่างนะยังมีหน้ามาสอนอีกนะว่าให้ทั่วทําให้ว่างรักษาจิตให้ว่างนิรันดร น, นะนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วนะจะเอารักษาจิตให้ว่างว่ามันก็ไปสู่อากาศสานันจา ย, ยตนะวิญญาณันจา ย, ยตนะอากินจัญญายตนะเข้าอารูปฌานะเป็นของฤาษีชีไฟที่เจ้าชายสิทธาถาไปเรียนแล้วท่านบอกไม่ใช่ทางนั่นแหละ ทุกวันนี้แหละลูกหลานฤาษีเข้ามาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มชาวพุทธนะเอาก็จะสอนให้ทําจิตให้ว่างให้จิตให้ว่างนั่นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงเลยนะต้องให้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ทําให้จิตว่างฝึกให้จิตตั้งมั่นแล้วน้อมจิตที่ตั้งมั่นนี้ไปเจริญปัญญาคือไปมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนั่นะต้องแม่นนะไม่งั้นเราอย่มั่วทุกวันนี้เรียนกรรมฐานมั่วๆเยอะมากเลยนะ มันพวกมิจฉาทิฏฐินอกาศาสนาพุทธนะั่นมันแฝงเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสาศนาเหล่านี้แหละพอไหวไหมต้องลงให้ทำอะไรขั้นตอนรักษาศีลทนะ่าสรุปให้ฟังนะขั้นตอนรักษาศีลท้าไว้ต่อมาก็มาฝึก ส, สติ แล้วฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นฝึกสติเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่ใจลอยอย่าไปเพ่งมันแล้วก็อย่ใจลอยคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆมันก็จะได้สติขึ้นมาแล้วก็ฝึกให้ได้สมาธิคือจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดถ้าไม่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งนักปฏิบัติเนี่ยเคลื่อนไปสองอย่างเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งคนทั่วไปที่ไม่ปฏิบัตินัจะเคลื่อนไปคิดอย่างเดียวแต่นักปฏิบัติเนี่ยพอ ควนึกถึงการปฏิบัติได้ก็จะเพ่งเลยจ้องเอาไว้ถ้าจ้องไว้จิตเก็นิ่งๆทื่อๆไม่เดินปัญญานะแต่ให้รู้ทานจิตมันเคลื่อนนะจิตจะ ไ, ได้สมาธิที่ถูกต้องเอาไปเดินปัญญาได้ตัวนี้ตัวสําคัญมากเลยนะถ้าเราไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกแล้วถ้าพอรู้ตัวได้นะจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วก็รักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆไปก็ไม่ใช่การเดินปัญญานะพระเจ้าอย่างสอนในพระสูตรเนี่ยมีนะ พิกสู่เข้าชานนะหนึ่งสองสามสี่ออกจากชานจิตตั้งมั่นอ่อนควรแกการงานนะท่านบอกว่าให้น้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะ์เอาจิตมาทำงานนะไม่ใช่ว่าไปรักษาจิตให้นิ่งๆว่างว่างรูดเนื้อ ร, รูตัวแล้วก็รู้ตั ว, ตวอยู่เฉยๆนะนถ้าจะให้ถูกต้องเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปได้วยนะค่อยๆจาประโยคนี้ไว้นะประโยคนี้ครอบคลุม การทำกรรมฐานการทำวิปัสนากรรมฐานทุกรูปแบบเลยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นให้เป็นกลางจะดูรูปก็ได้นะจะดูเวทนาก็ได้จะดูสังขารก็ได้จะดูจิตก็ได้หมครอบคลุมอยู่ในขัน5จะรูปนามตัวไหนก็ดูได้ก็ใช้หลักอันเดียวกันนี้จะใช้สมาธินำปัญญาก็หนีหลักนี้ไม่พ้นจะใช้ปัญญานำสมาธิก็หนีหลักอันนี้ไม่พ้น ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็หนีหลักอันนี้ไม่พ้นนะงั้นหลักตัวนี้พวกเราจํามาไว้นะแล้วอย่าให้มันคลาดเคลื่อนออกไปไม่พลาดหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้นะไม่ใช่เพ่งรู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้อย่างไงรู้อย่างที่มันเป็นกายเป็นยังไงรู้ใจมันเป็นไงรู้นะจะรู้อย่างนั้นได้ใจต้องเป็นคนดูใช้ต้องตั้งมั่น พอไปรู้แล้วถ้ายินดีให้รู้ทันถ้ายินลายให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางถ้าทำได้อย่างนี้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้มักผลบ้างถึงไม่ได้พระรหันต์ไม่ได้อนาคาโซดาก็ควรจะได้บ้างพอสมควรกราบหลวงพ่อค่ะที่แขอเรียนถามหลวงพ่อเรื่องการโก ที่ดิฉันทากับแม่ของดิฉันเองเป็นประจำเนื่องจากแม่เขาเป็นคนอดออมเวลาซื้ออะไรให้เขาแล้วบอกราคาที่เขาเห็นว่ามันแพงไปเขาจะไม่พอใจ อ, อ, อย่างดิฉันซื้อเสื้อตัวละพันนะสองให้แม่ดิฉันต้องบอกแม่ว่าดิฉันซื้อมาร <120. S 1> ้อยี่สหลวงพ่อลืมบอกกติกาผีกข้อนี่ เ อ, เอาเฉพาะเรื่องกรรมฐานนะอย่างเนี้การกโกหกของดิฉันนั้นบาปไหมคะบาปสิมีหรือโกหกไม่บาปอย่างน้อยใจเราก็เศร้าหมองอยู่นี่ใช่หไหมเราลังเลบาปไม่บาปบาปไม่บาปจิตใจผ่องใสไม่ไม่ผ่องใสหรอกนะถ้าเมื่อไหร่จิตใจเศร้าหมองก็บาปเมื่อนั้นแหะแต่มันไม่สร้างผลร้ายแก่ใครนี่คะ่ะสร้างแต่เราเองนะใจเราเศร้าหมองนะี่ย ไม่หมอหนะค่ะดีแท๊นดีใจพ อ, อดีใจนะที่แม่รับของไปอย่างดีดิแท๊นก็<อ>ดีใจแม่ก็ดีใจอา้อาวอตามใจผมตกลงตกลงบาป น, นะคะบาปค่ะดีแท๊นคอร์ล่ะบอกว่าขอบพรคุณค่ะอับนับทสการครับเอ่อผมก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณสักห้าปีนะครับไปเข้าคอร์คอปปอรรุ่นแรกๆนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังยังหลงนานอยู่นะครับยังหลงนานอยู่ก็ขณะนี้จิตเป็นยังไงจิตตั้งมั่นไหมก็ยังยังนิ่งๆครับนะจิตไม่มีกำลังจริงนะซึมๆไปนะถ้าจิตมันซึมๆนี้ต้องเอ็กซ์ไซส์มันนะออกมากระทบอารมณ์ออกมาอะไรบ้างนะอย่าไปให้มันนิ่งๆซึมๆเวลามันกระทบอารมณ์นะจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมา จิตตื่นตัวขึ้นมาจะรู้สึกตัวได้เข้มข้นขึ้นกว่านี้หน่อยความรู้สึกตัวมันจางไปถ้าไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นรู้สึกในร่างกายให้เยอะขึ้นหน่อยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกยังงั้นใจจะไม่มีแรง <S <S ถ้าจิตมันได้รู้อารมณ์ที่หยาบนะก็จะมีแรงมีแรงมากขึ้นถ้ามันรู้อารมณ์ที่ละเอียดมากเลย สติสมาธิอะไรไม่พอจับไม่อยู่นะนี่จะค่อยๆหมดเรี่ยวหมดแรงไปงั้นออกมากระทบอารมณ์ที่หยาบขึ้นหน่อเอย่าสมัยเราเคยหายใจแล้วก็สงบแล้วก็ซึมไปเงี้ยแต่ว่าแค่นี้ละเอียดเกินไปอาจจะต้องมาเดินจงกรมมาเคลื่อนไหวมากวาดบ้านถูบ้านแล้วเคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้สึกนะความรู้สึกตัวมันจะชัดขึ้นใช่อารมณ์ที่หยาบขึ้น ค่ะหนูไม่ได้ส่งกันบ้านมาสามปีแล้วค่ะแต่ว่าปฏิบัติดูจิตอยู่สม่ำเสมอค่ะแต่ว่า อ, อ, อย่างมเมื่อกี้ก็จิตมันก็จะไหลไปที่กายแล้วก็หลงไปในความคิดอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องซ้อมนะเราไหลเรารู้ไวไหลบึ๊บรูปั๊บปั๊บปับป๊ค่ะก็อยากจะเรียนถามว่ายังอยู่ในร่องในรอยไหมคะเพราะว่าก็ปฏิบัติอยู่ <c oughs> แต่ว่าห่างครูบาอาจารย์คือไม่ได้ไม่ได้ไปส่งกันบ้านเลยค่ะใจมันไม่ค่อยมีกำลังบนาะทีการไปส่งกันบ้านเ้าได้แรงนะมันทำให้เราแอคทีฟขึ้นทีเราพาวนาองเราคนเดียวเงียบเีบไปแนละแรงค่อยๆตกก็มีหลวงพ่อแต่ก่อนนะตอนเป็นโยมทุกทุกเดือนนะต้องออกไปหาหลวงพ่อพุทธทีหนึ่งแต่ว่ามีปัญหาอะไรไปหาไม่มี ไปถึงไปฟังท่านพูดไปอะไรท่านถามโน้นถามนี่ตอบท่านนี้ น, นหน่อยหนยแต่ใจมันแอคทีฟขึ้นหรือบางครั้งเราเฉยถึงเวลาที่จะต้องไปหาครูบาอาจารย์นั้นมันจะขยันภาวนาขึ้นมามันจะช่วยกระตุน้นหรืออย่างเราไปวัดไปหาครูบาอาจารย์เราเห็นเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันเราภาวนาของเราคนเดียวเราว่าดีแล้วนะไปเห็นคนอื่นเอ๊ะเขาดีกว่าเราอีกนะ ใ, นใจมันจะ ไม่นิ่งนอนนะไม่นิ่งนอนใจมีขยันขึ้นมาดังนั้นการภาวนาเนี่ยถ้าอินทรีย์เรายังไม่แข็งนะเรามีเพื่อนเรามีหมู่เพื่อนนะขีกระยาณมิตรภาวนาด้วยกันอย่าเงี้ยกระตุ้นกันไปกระตุ้นกันมาจะช่วยให้แอคทีฟขึ้นนะจิตเป็นยังไงจิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านให้รู้อย่าที่มันเป็นนะ ทำในรูปแบบทุกวันไหมสวดมนต์ค่ะแต่ว่ า, าไม่ทุกวันแตเ่เกือบทุกวันค่ะเวลาสวดมนต์นนะถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากก็สวดมนต์แล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะสวดเสร็จแล้วก็มานั่งหายใจรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปในใจหนีไปเราคอยรู้ฝึกองี้จะได้สมาธิขึ้นมานะถ้าวันไหนจิตตั้งมั่นมีสมาธิแล้วทําในรูปแบบเพื่หัดแยกธาตุแยกขันธ์ไป กายกับใจคนละอันของคุณก็แยกเป็นหยุดแยกได้อยู่ถ้าถ้าแยกธาตแยกขันธ์เป็นแล้วก็จเจริญปัญญาไปเลยดูธาตุดูขันธ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแสดงใจลับไปเลยเพราะฉะนั้นําในรูปแบบเนี่ยทําได้หลายอย่างนะแล้วแต่แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันวันนี้แย่มากเลยส่วนมนลเราคิดถือพราไว้ให้ใจเย็นๆไว้ได้แค่เนี้ยวันนี้อีกวันหนึ่งดีกว่า น, นั้นหน่อยนะจิตเคลืรร่อนแล้รู้ได้สมาธิที่ดีขึ้นมา อีกวันหนึ่งหัดแยกธาตุแยกขันได้นะเริ่มได้ปัญญาขั้นต้นอีกวันนึงเจริญปัญญาไปเลยเห็นแต่ละธาตุแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์แต่ละวันอาจจะทําได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกวันต้องซ้อมนะใชใจมันอ่อนแรงไปนิดหน่อยเท่านั้นแนะ่ะไม่ได้มีปัญหามากหรอกแล้วบางทีคะ่ะเหมือนกับว่าสังเกตไหมว่าตอนนี้กะตะกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนค่ะใช่ไหมใจมันมีแรงขึ้นรู้สึกไหม ใจไม่มีแรงใช้ไม่ได้นะอย่างบางทีรู้สึกว่าเหมือนกับมันสว่างช่วงหน้าผาอย่างนี้ค่ะบ่อยๆ อ, อะค่ะอันนั้นเป็นสมาธิถ้ามันสว่างแล้วก็นิ่งว่างอยู่นะตอนมันถอยออกมาเนี่ยมาดูร่างกายไว้เลยดูร่างกายผมคนได้ฟันหนังแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไปส่งสมาธิอยู่เนี่ยออกจากสมาธิแล้วต้องมาดูกายดูจิตไม่ได้ไม่มีอะไรให้ดู หมายถึงในชีวิตประจำวันอย่างบางทีเดินเดอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ามันจะจ้าตรงหน้าผาเนี่ยแหละจิตมันไปนติดสมาธิอสิ น, น้อบเข้าหาสมาธิเรื่อยๆนะป็นจะหนีออกจากโลกข้างนอกนี้นกลับมารู้สึกร่างกายไว้ร่างกายมันไม่พาเราเราพาร่างกายหนีเข้าฌานไปไม่ได้หรอก<ด>มันติดสมาธิจ้าไปต้องฝึกให้เป็นวสีนะนี่จะทําสมาธิก็ทําได้เนื่อจะถอยออกมาก็ถอยได้เนื่อจะส่งอยู่ก็ส่งได้ นจะเดินปัญญาก็ทำได้ฝึกให้ชํนานาญสมาที่มีประโยชน์แต่ถ้าไปติดก็ว่างสว่างไว้ทั้งวันจะยากเลยเนี่ยเราก็จะให้บ้างสว่างไว้อย่างนั้นไม่เอาอกาบนวัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อว่าสามารถรารที่จะพอทจะแยกธาดขันได้บ้างแล้วก็ถ้ารวมไม่รู้แล้วก็ถ้าแยกให้รู้ ก็หลังจางนั้นก็ไปปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นก็รู้สึกว่าอสติที่เกิดอัตโนมัติมันมันมีมากขึ้นขอเวลานอกนิดหนึ่งของคุณผู้หญิงนะนแะเมื่อกี้ทําอะไรเราอย่าไปเพ่งมันนะอพอนั่งทีแรกก็นั่งแยกท่าแยกขันดีใช่ไหมแปบ๊บเดียวเข้าไปเพ่งแล้วมันไหลเลยไหลเข้าไปจับว่างสว่างอยู่อันนี้ยจิตติดสมถะละนะ พยายามคนกว่าในร่างกายให้เยอะขึ้นดูร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะผมคนเล็บฟันหนังเนะื้เอ็นกระดูกนั่งจับมันแยกเป็นชิ้นชิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยให้จิตมันเคลื่อนไหวให้จิตมันทํางานนะไม่อย่าเดี๋ยวมันติดว่างสว่างอยู่ข้างหน้าอของคุณว่ามาครับแล้วก็รู้สึกว่าพอมันเป็นอัตโนมัติมันจะรู้สึกเบาสบายครับเ อ, อแต่ถ้า แล้วก็มันก็จะแยกจากอารมณ์ออกมาได้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเราทําแค่ยิดเดียมก็จะจะแน่นแนขึ้นมานใช่แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ตั้งมัน่นแล้วก็ตื่นเต้นครับหลวงพ่อ ถ, <ม>ถูกแล้วครับถูกนะไปทําต่อไปครหลวงพ่อมีแนะนําเพิ่มเติมต้อไปทํานะครับทําอีกก็ก็คือให้ทำในในรูปแบบมากขึ้ น, นครับทําอย่างนี้แห้ะนะ มีเวลาก็ทำในรูปแบบไปหมวดเวลาแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดที่จิตมีสติรู้ทันฝึกไปตอนนี้มีบังคับอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เหรอครับตอนนี้บังคับอยู่ก็รู้เองเนี่ยเมื่อกี้บอกหลวงพ่อว่าแน่นครับครับกากบอกว่คุณบังคับเมื่อไหร่ก็แน่นวันนั้นมันตึงบบ ถ้าหายแน่นเนะหลงหลงไปเดี๋ยวก็หายแน่นหย่อนไปนักวัศนการหลวงพ่อค่ะก็ก่อนมาส่งกันว่านี่ก็ร้อยเท่าโคตรทุกข์อ่ะค่ะเพราะว่าปัญหาเยอะมากมนี่ช่วงที่เห็นตัญหาดับเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะลงไปไปยึดปัญหาตรงนั้นแล้วก็ติดดีก็ ม, มันไม่ได้ค่ะห้ามมันไม่ได้ ใช่แล้วก็เลยทุกมากทีนี้พอวันนี้มันปลดเรื่องไปเยอะมากเพราะว่ากำลังกาลังเพิ่มขึ้นก็เลยเห็นสภาวะตามความเป็นจริงชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วขอคำแนะนำค่ะก็ไปดูสินะจิตเศร้าหมองรู้ว่าจิตเศร้าหมองน ะ, ะจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นไงรู้อย่างนั้นปัญหาของเราก็คือเราอยากให้ปัญหาหายไป นั่นะคือปัญหาของเราแล้วปัญหาของนักปฏิบัติอยากให้ปัญหาหายไปค่ะแล้วก็ดีใจเวลาเห็นปัญหามันกลับปัญหามันก็อยอยากนะอยากอะไรอยากให้ปัญหามันหายเพราะปัญหาเป็นของโลกนะของประจำโลกหมดปัญหาอย่างนี้ก็เจอปัญหาอย่างโน้นชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันนะ ถ้าเราเข้าใจความจริงตัวนี้ความอยากไม่เกิดขึ้นความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจปัญหาก็จะอยู่ส่วนปัญหาไปก็แก้ไปเหนื่อยแต่ร่างกายนะแต่จะเข้ามาไม่ถึงใจเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนชอบปกป้องไม่ให้เกิดปัญหา ม, มันทำไม่ได้หรอกมันเป็นอนัตตาเห็นถี่มากอ น, นัตตาเห็นถี่มากก็เลยทุกข์มากแล้วจิตมันก็ดิ้นรนที่จะหลุดเออ ก็ ด, ดีแล้วล่ะถ้าเห็นผีมากๆแล้วจิตทนไม่ไหวเนี่ยต้องทําสมถะนะทำยังไงเพราะมันไม่เคยยอมทําก็คิดถึงพระพุทธเจ้านะบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าอยากสงบพุโทโธไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็สงบเองถ้าอยากสงบจะไม่สงบนะใช่เพราะว่าพุโทโธ เ, เขาก็ไม่ชอบค่ะแต่ว่าท่านนึกตอนไม่ชอบก็ เ, เอา <c oughs> ไม่งั้นจะตามใจมันไป ใช่มีคนว่าบอกว่าไม่เด็ดเดี่ยวเรื่องพุทธโธต้องเด็ดเดี่ยวสิพุทธโธไปเลยฝากเป็นฝากตายนะพุทธโธแล้วกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจนะพุทธโธไปเรื่อยไม่เลิกเลยค่ะตอนนี้ใช้วิธีติดรูปเดดจารอบบ้านค<อ>่ะข อ, <ป>ขอบคุณค่ะมีนะบางคนเอารูปหลวงพ่อไปติดรอบบ้านนะแล้วหลวงพ่อนะคนเห็นหน้าได้ที่ไหนเห็นหน้าแล้วเครียดอ่ะสะดุ้งอ่ะ หันเลงนี้ก็สะดุกหันตางนี้สะดุกนะแต่แล้วเล ย, เล ย, เลยถอดรูปมาเอามาให้หลวงพ่อมาเอาไปเผาเดียวนี่มานยกให้เราเราก็ไม่เอา <c oughs> อกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับของผมนี้ใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดีครับหาดูร่างกายไม่น่ใจมันยังซึมไปจิตมันยังซึมซึมไปเห็นหน้างกากระดุกกดิกกระดุกกระดิกไปมีผู้หญิงคนหนึ่งน ะ, กะเกษียณแล้ว ปัดบ้านถูบ้านทํางานบ้านซักผ้านะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไห ว, วพ่อน่าเก่งมากเลยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกแม้ว่ามันมันใจมันจะชัดเจนขึ้ น, นถ้าไปดูจิตตรงๆนยจะดูยากขอบคุณครับการปฏิบัของพ่อครับผมส่งกลับบ้านครั้งแรกเนี่ยแต่ถาเพราะว่าผู้ปฏิบัติมันเนี่ยถูกต้องไหมครับถูกสิทำไมจะไม่ถูกละ่ะ เห็นไหมไกายกับใจเป็นคนละอันอันนี้ดูออกไหมเห็นเปล่าสุขทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกุศลอกุศลกับใจก็คนละอันเมื่อแยกขันได้แล้วนะมันไม่ยากรา้การปฏิบัติต่อไปนเนี้ยดูขันมันทํางานไปจิตโง่เมื่อไหร่จิตก็เข้าไปแทรกแสงเมื่นะจิตไม่โง่จิตก็เป็นคนดูสุดท้ายไม่เห็นความจริงทังขันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ช่วครั้งชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไปทำต่อไปเซลจัดไหมก็ครับเอานะไปดูตัวนะี้แถมให้นะรกรับนวัตการครับหลวงพ่อครับผมขอโอกาสมารายงานผลการปฏิบัตินะครับคือผมปฏิบัติมาประมาณสี่ปีกว่าแล้วครับก็พยายามยึดหลักตามคําสอนของหลวงพ่อก็พยายามใช้โยนิโสมนสิการมาเทียบเคียงคําสอนของหลวงพ่ออืก็ผมคิดว่าผมทําได้ระดับหนึ่ง แต่จ hey, ิตมันคิดอยู่เสมอว่าจะทําถูกจริงไหมอะไรพวกนี้ก็ให้ดูเลยให้รู้เข้าไปเลยนะหลวงปู่ดูลนะท่านเรียกจิตชนิดว่าจิตจะหาพยานจิตมันจะหาพยานภาวนานั้นบางคนภาวนาก็ถูกแล้วดีแล้วนะมาหาท่านจิตผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้จิตผมเป็นยังไงจิตจะหาพยานมันเป็นอย่างนี้รู้เป็นอย่างนี้แหละ ด้ดิ้ฝึกนะก็ผมรายงานการปฏิบัติคร่าวๆได้ไหมครับหลวงพ่อ ค, คือก็ตามที่หลวงพ่อสอนไว้ก็คือเบื้องต้นผมเราจะทำในรูปแบบนะครับก็นั่งทำทาสมากิรามฐานก่อนนะครับจนจิตสงบแล้วก็หลังจากนั้นก็ถอยจิตวั น, นิดหนึ่งแล้วก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะครับก็ดูช่วงแรกก็ดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสภาวธรรมต่างที่เกิดขึ้น ช่วงไหนที่ไม่มีสภาวธรรมผมก็จะแยกธาตุแยกขันธ์นะครับจนจิตทีต่ตั้งมั่นดีแล้วข้อหลังจากนั้นผมก็เดินปัญญาต่อครับช่วงเดินปัญญาก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าช่วงช่วงที่เรานั่งอยู่ที่แยกธาตุแยกขันธ์อยู่จะเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราครับก็เห็นชัดเจนคือเห็นหน้าตาครับส่วนความทุกข์ความสุกขก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถจะแยกได้นั่นแหละดีนะแยกตัวนี้ได้แล้วเราก็ภาวนาต่อได้แล้วล่ะ บางคนบอกทำวิปัสสนานะแต่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้เลยทำไม่ได้จริงของนะพอเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้แต่ละธาตุแต่ละขันธ์นั่นนะมันแสดงความไม่ใช่เราทั้งหมดนะนะดูเขาทำงานไปจนวันหนึ่งใจยอมรับตอนนี้ใจยังไม่ยอมใจยังหวงอยู่เห็นหรากว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะแต่หวงนะเออ เห็นเป็นบางครั้งแค่นั้นเองว่าไม่ใช่เราแต่ส่วนใหญ่เป็นใช่เรามันยังหวงอยู่ใช่ใช่ก็น่าไปทําอีกจนใจมันยอมช่วงที่เห็นปัญญาที่มันเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราที่เห็นใจรักคือช่วงนั้นมันจะแวบเดียวแค่นั้นเองใช่แต่ถ้านอกจากที่เราไม่ตั้งมั่นแล้วเรามาดูข้างนอกว่าจะเกิดปัญญาเกิดยังไงรู้สึกว่าจะรีบเรียงยากเรียบเรียงไม่ได้หรอกนะพูดยากแต่ยากเพสภาวะเนี่ยบางอย่างเรารู้เราเห็นนะในขณะที่ปฏิบัติเนี่ย พอจะมาทบทวนเรียบเรียงเป็นถ้อยคํำนะพูดไม่ออกนะบางที<ช>พูดออกมาตื้นนิดเดียวเลย<ช>เวลาที่ใจมันรู้ส่งสมาธิเกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งมากเลยแต่พอถอยออกจากสมาธิมาอยู่ในโลกนี้พอจะมาบัญญัติให้คนอื่นฟังนั้นตื้นนิดเดียวเลยร<ช>ู้สึกไ<ช>่้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหล ะ, ะมันมีข้อนะครับคือที่ผมปฏิบัติเนี่ยมีความรู้เลยว่าจิตเนี่ยมันจะชอบหยิบ อ่าสภาวะต่างๆมาคิดนึปรุงแต่งอยู่เสมอ<ช>และถ้าตราบใดถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่มีไม่มีสติมันก็จะมันจะทิ่มเสียแทงจิตใจเราแต่ถ้าเรามีสติความทุกข์นีเล็กๆก็น้อยมันก็จะดับไปครับเอแต่เราไม่ได้ปฏิเสธมันนะเราควรต้องดูไปมันอจะปฏิเสธเนี่ยยังไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาจะไปแอบไปปัดปัดมันก็บพระคุณนะครับกัน คระนมาสกครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับคือว่าเหมือนกับช่วงนี้มันปฏิบัติแล้วก็มันหลับในตลอดเวลาเลยครับเดินหลับในเลยครับเออไม่เป็นไรแล้วก็พอล้มปุ๊บอย่างเงี้ยมนเฉงเป็นช็อตช็อตชอตโชคปีแย่ครับไม่งั้นก็โหวฟ้าตลอดเลยครับไม่ทราบว่าควรทายังไงดีครับทํำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนช่วงหนึ่งจิตมันเบื่อจิตมันมีนิพพทาครับเพราะฉะนั้ทีมันจะหลบเข้าข้างหนไม่อยากรับรู้ห้ามมันไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็็เเคยปน เดินอยู่ก็หลับนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรก็หลับนะนั่งคุยก็หลับครับเออเป็นนํามากอ่ะครับแสดงว่าไอ้คนที่เราคุยด้วยเี่ยมันไม่น่าสนใจเลยครับนั่งๆั่งอยู่แบบมันก็ฟุบไปเลยครับอืมแต่ที่เป็นหนักคือล้มเลยครับอยู่เดินเนล้มไปเลยครับหาเหรอไปให้หมอเขาเช็กสมองบ้างไหมไปแล้วครับมาบอกว่าไม่เป็นอะไรครอาจจะนิดหน่อยถ้าไม่เป็นอะไรครก็กินเหล้าหรือเปล่าไม่ทานครับเออดีจะไม่กินนะ เดี๋ยวจะเป็นเยอะครับตือศีลห้าตลอดชีวิตเลยครับโอ้สาธุสาธุให้สามปีเลยครับหลวงพ่อขับขอกันบ้านด้วยครับคือมันจะหลับจะอะไรก็ช่างมันนะภาวนาแต่ถ้ามันจะหลับมากนักนะก็อย่าไปทําอิริยาบถที่ร่อแหลมมากอย่างไปเดินริมถนนแล้วหลับแล้วก็เดินเข้าถนนอย่างเงี้ยไม่เอาหลวงพ่อก็เคยเป็นแล้วเป็นอยู่เป็นเดือนแล้วแก้ไม่ได้อ่ะ ขนาดนั่งขัดสมาธิเพชรเจ็บแทบแย่นะก็หลับนะบเดินจงกรมผู้ัวโขกฟ้าเลยหลับไปหาหลวงปู่สิมแนละ้วหลวงปู่สิมไปหาท่านวันที่ห้าสิงหาปีสองหกลวงปู่ไปเล่าให้ท่านฟังนะท่านบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรทำไปเถอะครูบาอาจารย์บอกไม่ให้สงสัยหลวงพ่อก็เลยไม่สงสัยครับ ถ้าเป็นพวกเราหน้าหลวงปู่บอกสักหน่อยนา <c oughs> ก็มันสงสัยเนี่ยคนโบราณนะแต่คนรุ่นเราเนี่ยไม่เหมือนกันรุ่นหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สั่งนี่จบเลยแค่นั้นเลยไม่ต่ อ, ไ ม, ตอไม่ต่อรองบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรทำไปเอถอะเราจะได้ของดีในพรรษานี้แหละไม่ถามด้วยว่าของดีอะไรต้องสู้หอเปลาเงินสู้ตายเลยนะครับเออ แต่ว่าอย่าไปเดินที่ร่อแหลมนะครับกับนรมสการ์มอครับก็ในการส่งกาบ้านครั้งแรกครับแล้วก็เพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณปีหนึ่งครับเพิ่งรู้ว่าแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกตัวเลยใชลงได้ทั้งวันเลยครับเอใช้ความคิดเยอะครับแล้วก็แต่ว่าพอปีที่ผ่านมาครับรู้สึกตัวมากขึ้นแต่พบปัญหาว่าอย่างบางทีครับเรารู้สึกตัวหรือว่าบางทีเราคิดนําไปว่าเราต้องรู้ก็เลยบางทีจะมีการตังแวบไม่ไม่ไม่สําคัญนะ ให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่รู้ลงปัจจุบันเลยไม่ต้องเอาอย่างอื่นแล้วไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยวิจารอะไรหรอกเอนี่รู้ถูกหรือรู้ไม่ถูกนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นี่ถูกเป๊ะเลยเหมือนหลวงพ่อแต่ก่อนนั่งภาวนานะเห็นเทวดาเนี่เทวดาจริงหรือเทวดาปลอมมั้เนี่ยถูกหลอกแล้วนะจริงๆใจสงสัยรู้ว่าสงสัยจบแล้ว แล้วก็อย่างบางทีตอนกอน น, อนนะครับผมมีส่วนมนั่งสมาธิทีนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คืออย่างบางทีวันไหนที่นั่งสมาธินะครับแล้วก็พอเราหนีไปคิดเราก็รู้แต่จังบางวันเนี้ยจิตมันไม่ค่อยหนีไปคิดนะครับพ่อครับอยนี้เราจะแก้ปัญหาไงดีครับมันเป็นอะไรมันไม่หนีไปคิดแล้วมันทําอะไรคือมันบางวันเราฟุ้งซ่านเยอะหนีไปคิดเยอะแล้วก็รู้ตามทันมันเยอะบ่อยบ่อยขึ้นแต่ยังบางวันนะครับเรานั่งสมาธิไปสักพักก็ยังไม่ค่อยหนีไปคิดนะครับพ่อครับก็เลยไม่รู้เราต้อง ให้รู้ไงใจมันหงุดหงิดใจว่ามันไม่ยอมหนียใจไม่ได้เป็นกลางจริงเหรอสงสัยว่าทำไมไม่หนีวันนี้ไม่ได้เดินปัญญาเลยไม่ดีเลยอะไรย่างเงี้ยก็คือแค่รู้เฉยๆก็พอแค่รู้ลองปัจจุบันนะไม่มีอย่างอื่นหรอกครับแล้วสุดท้ายหลวงพ่อไปจะชี้นวเพิ่มเติมหรือเปล่าครับอย่าใจร้อนนะครับทําได้ดีนะปีหนึ่งทําได้อย่างนี้เก่งเก่งเลยว่าขันมันแยกได้เดือดเป็นเรื่องแปลก คนในโลกไม่รู้สึกตัวหรอกในโลกไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวแปลกน ะ, ะคือคือตอนนี้ปฏิบัติโดยเห็นตัวเองทำทุกอย่างถูกอยู่ในในชีวิตประจำวันถูกท่นี้ในสภาวะที่ที่เห็นเตอนนี้มันเกิดความคิดที่ว่าสิ่งที่จิตไปเห็นตามอย่างนั้นใช่ไ้ยเจ้าคะ มันเกิดไปก่อนแล้วเราจิตไป<ช>ผู้รู้ตัวผู้รู้จะตามอยู่ทุกขณะคือถ้าร่างกายเนี่ยนะมันรู้ตอนนี้ได้เลย<ช>เคลื่อนไหวเนี่มันรู้เดี๋ยวนี้ได้เลย<ช>แต่ถ้าเป็นความรู้สึกทางใจมันจะรู้ตามหลังนะเกิดดับ<ช>เกิดดับตลอดเวลาใช่ใช่จิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็จิตที่มีสติเกิดขึ้นไอ้จิตโกรธมันดับไปจิตมีสติขึ้นแทนเอี่ยงก็เป็นจิตหลงเกิดขึ้นจิตที่มีสติก็หายไปนะเกิดดับคือไม้แต่มือที่เอื้อมไปหรือว่า บอกว่ากําลังคุยกับกับใครอยู่เนี่ยเราจะเห็นสภาวะ่าคือปากเราขยับเสียงเนี่ยเราจะได้ยิน ม, มันเลือดในกายเดินอย่างนั้นถื อ, ถอว่าอย่างนั้นะเราก็เห็นนะว่าร่างกายกับจิตนะักคนละอันกันใช่ไหมร่างกายมันก็ทํางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ้็ดูไปได้ๆ อ, อย่าไปเพ่งนะเราต้องเพิ่มเติมอะไรไหมจ๊ะก็ระวังอย่าไปจ้องถลําต้องไปจ้องมันนะ ดูร่างกายก็ดูไปร่างกายเคลื่อนไหวใจอยู่ตห่หักใจไม่เข้าไปเกาะมันนะอย่าให้ถลําไปแต่สมาธินี่คือไม่การการนั่งทางด้านสมาถะนี่นั่งสมาธินี่ไม่ค่อยได้ทำแต่เพื่อนแต่บอกว่าไม่ได้ทําเป็นเป็นกิจวัตรถือว่ายังยังต้องถ้าทําได้ทุกวันดีน ะ, ะถ้าเราไม่ซ้อมทําสมาธิเลยนะเนี่ยแล้วเจริญปัญญารวดไปเลยถือจุดหนึ่งกําลังเราไม่พ อ, อะนะ จิตแฝงเพราะกําลังไม่พอเนี่ยเราเห็นสภาวะเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนตามสภาวะไปเช่นเราเห็นกิเลสขึ้นมาเราไปดูกิเลสปุ๊บถ้าสมาธิเราไม่พอนีจิตจะไปจับที่กิเลสเมื่อกิเลสมันเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเนี่ยจิตจะเคลื่อนตามมันออกไปพมือกิเลสดับปับ๊บนี่ยจิตจะไปติดความว่างอยู่ข้างนอกเลยสว่างว่างแลไปติดค้างอยู่เฉะนั้นตัวจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะ วิปัสสนูปกิเลสทั้งสิบชนิดเนี่ยเป็นผลพวงจากการที่จิตไม่มีสมาธิพอถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆนะวิปัสสนูทั้งหมดจะดับไปหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยคือปัญหาที่เกิดกับตัวเองที่ไม่ที่ไม่ได้นั่ ง, งสมาธิเพราะว่ามันเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวเล็กลงมันถูกบีบเข้าไปในกล่องกล่องนี้ค่ะก็เรา <Okay. S 1> อย่าไปนั่งสมาธิด้วยการเริ่มต้นในการบังคับตัวเอง เนะอย่าไปด mm ัดแปลงจิตแล้วนั่งก็คือนั่งอยู่แล้วเนี่ยหายใจไปรู้สึกหายใจไปรู้สึกจิตเคลือล่อนเรารู้จิตเคลือล่อนเรารู้นะ mm hmm. แล้วมันสงบเองอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเราไปเริ่มนั่งปุ๊บเราก็เริ่มบังคับร่างกายเริ่มบังคับจิตใจก็บีบตัวเองลงไปหวังว่าจะสงบมันกลายเป็นการแทรกแซงมันมันไม่ใช่สมาธิที่ดีเพราะฉะนั้นะ mm hmm. นั่งไปเหอะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ขอให้ได้นั่ง ตั้งต้องแบบ น, นั้นนะแล้วจะสงบง่ายมากเลยแต่กว่าจะสรุปได้งี้นะภาวนากันนานนะหลวงพ่อจะให้กันบ้างไหมเจ้าค่ะให้แล้วไงเอ <c oughs> สวัสธิ <c oughs> ต้องต้องทํานะม่งั้ใจจะเหี่ยวเหี่ยวไปใจจะเฉาเฉาไปแต่ว่าในชีวิตประจารําวันนี่คือที่ทําอยู่แล้ว <c oughs> ได้แต่ว่ากําลังเราจะไม่พอเราต้องทําในรูปแบบเจ้าค่ะหลวงพ่อเจอมาด้วยตัวเองนะ หลวพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่เด็ดเดกตั้งแต่เจ็ดขวบเดินปัญญาไม่เป็นทําสมาธิ22่ีนั้นเรื่องสมาธินี่ทำว่องไวทีนี้พอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตเห็นจิตเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรัตรู้สึกว่านี่เดินปัญญาดูถูกสมาธินะไม่เอาสมาธิเลยเดินปัญญารวดไปเลย นั่ปารวดอยู่ได้2ปีกว่าๆนะกำลังสมาธิ22ปีเนะี่ยหมดนะหรือชาร์จ22ปีนะใช้ได้2ปีนันะต่อ10บอ่ะนะสมาธิไม่พอยังไม่รู้ตัวนะนั่งดูจิตนะั่ทำไมมันสบายมันโล่งมันว่างไม่มีอะไรให้ดูนะใจใจะว่าบรรลุทาชั้นสูงมันก็ไม่ใช่นะันบางทีก็มีกิเลสอย่างีนะ้สงสัยที่ดังนั้นพอดีไปทางบ้านตาก ขึ้นไปหาจาันมหาบัวพอดีตอนนั้นท่านยังคนไม่มากคนมีไม่มากอะท่านยังฉันข้าวอยู่ข้างบนศาลาศาลาไมา้ขึ้นไปกราบท่านบอกท่านจาันครับผมขอโอกาสท่านหันมามองหน้าป๊บเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างแต่ท่านววาก็วกัวกวกัวกวกัวกว่าพระองค์นนท์วา่าพระองค์นี้เลจะฉันข้าวอะมาจัดอาหารเสร็จฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วท่านหันว่า ย, ยัางไงหันมาถามว่างไง พ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทําไมช่วงนี้นะสังเกตดูมันไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วนะท่านบอกอย่างนี้เลยนะที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้นะให้ไปทาําเมาเฮ้ยท่านมาสั่งให้บริกรรมหลวพ่อก็มาพุโทโธพุโทโธนะท่านก็ฉันเข้าไปแล้วก็พุโทโธไป โอ้ใจเน่แน่นเหมือนจะแตกเลยแล้วใจเนี่ยไม่เอาสมถะเบื่อพอนะพุโทโธพุโทโธ ใ, ใจแน่นเสร็จแล้วก็เลยมาพิจารณาทําไมท่านจะให้บริกรรมพุโทโธอ๋อดูไปดูมาสมาธิเราไม่พอแล้วหลวงพ่ก็ไม่เอาพุโทโธหรอกเพราะเราไม่ชอบเราก็หายใจ่ ใช้อนาปนสติหายใจแป๊บเดียวนะจิตถึงฐานโธแทบเข่งหัวตัวเองนะโง่อยู่ตั้งนานนะ่ะนึกว่าดูจิตที่แทดูไม่ถึงจิตออกจิตออกไปอยู่ข้างนอกน่ะจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกงั้นถึงบอกว่าอย่าติดว่างติดสว่างติดอะไรต่ออะไรเนาะอีกนิดนึงจ้าค่ะขอโอกานิดนเมื่อวานที่ไปนั่งฟังสดพระพิธ ร, รมศบแลวนะคะ น, นั่งอยู่มองไปตกใจเห็นเท้าตัวเองบอกสัตว์ประหลาดอะไรนั่งอยู่เออน่นั่นแหละ <c oughs> นั่ะ ม, มันมีปัญญาขึ้นมานะแต่มันยังยอมรับไม่ได้มันเริ่มเห็นแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่เร า, เราตรงที่เห็นไม่ใช่เรานะถ้าอย่างที่ครูบาอาจารย์เมื่อก่อนท่านทําเหมือนท่านทําสมาธิพิจารณาร่างกายไปนะจนร่างกายระเบิดไปไหม้ไปเลยร่างกายหายไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวพอเหลือจิตอันเดียวแล้วพอจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายขึ้นมาเนี้ท่านจะรู้อย่างทราบซึ้งเลยร่างกายไม่ใช่จิต ร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะอันนั้นเป็นวิธีอุบายที่ท่านใช้แยกธาตุแยกขันธนะ์ของเราถ้าทำสมาธิได้ไม่ลึกในร่างกายยังไม่สลายแล้วอาศัยค่อยๆดูมันทำงานไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตไม่ถึงขนาดที่ว่าสลายแต่ขนาดที่ทำได้แค่นี้นะจงจุดหนึ่งอยู่ๆปุ๊บมันเห็นขึาไม่ใช่เราตัวอะไรก็ไม่รู้นะบางคนกลัวบางคนเบือ่อ บางคนรู้สึกเวื้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเป็นทุกคนเลยครับกรับของพ่อครับก่อนหน้านี้ผมติดเท่งครับตอนนี้คลายลงมาแล้วคลายแล้วครับแต่ว่ายังยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรแล้ว น, นะรเรารู้แล้วไม่เป็นไนรแล้วประมาณเดือนกุมภาผมได้รับคาแนะนำจากพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยครับว่าให้ไปรู้สึกให้สบายให้หัดรู้สึกครับแล้วก็ น, นี้รู้สึกตัวได้สบายมากขึ้นดีแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้สึกตัวได้เราก็เห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานเราไม่ใช่รู้สึกตัวเพื่อจะรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆไปรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นร่างกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานเรี่ยนั้นถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาบางคนรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นสมาร์ที่อีกแบบเป็นสมุทะครับชวมรู้สึกตัว ช่วนี้เริ่มเห็นเห็นทํางานได้มากขึ้นนั่นแหละนั่นแหละมันเดินปัญญาแ ล, ะละ้วล่ะนะดีสมาธิก็ไม่จริ้งนะถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าไม่ไปติดอย่างเดิมช่วงชวงนี้ยังไม่กล้า ท, ทํารูปแบบคุณหลวงพอ่อแล้วมันจะอยู่ได้อีกช่วงเดียวเดี๋ยวมันจะเสื่อมมันจะฝุ่นนะค่อยๆค่อยๆทำนะค่อยๆฝึกครับก็ขอกันบ้านหลว ง, งพ่อได้ครับคือสมาธิเราอย่าทิ้งนะ ทำนิดนิดหน่อยหทุกวันก็ยังดีดีกว่าไม่ทําเลยนะติดหรือไม่ติดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ทําหรือไม่ทําติดเนี่ยเพราะว่าจิตมันพอใจแล้วไม่รู้ว่าพอใจมันถึงติดเดัะนั้นถ้าเราทําอยู่แล้วจิตคกำลังสงบแล้วมันยินดีพอใจในความสงบเราเห็นอย่างเนี้จะไม่ติดหรไม่ต้องกลัวที่จิตไม่เคยติดมาชํานี้ชํานาญแล้วนะไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับจะได้มีแรงไม่งั้นจะ ของคนณตอนนี้เป็ น, ปนกําลังที่สมาธิที่ฝึกมานะมันส่งมาให้ถ้าเราไม่ทําเลยสักช่วงหนึ่งมันหมดนะเป็นน้ํามันหมดก็ต้องซ้อมไปเรื่อยทำสมาธิไม่ทิ้งหรอกส่วนไอ้ที่เดินปัญญาแยกธาตุแยกขันน่ะเห็นไตรลักษณ์ของธาตุขันนี้ทาถูกแล้วจิตมันจะมีความสุขปุดขึ้นมาเป็นช่วงๆนะบางทีมีความสุขปุดขึ้นมาเป็นระยะระยะไม่ได้ทําอะไรนะ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นของมันเองดีขอบพระคุณครับเราตั้งใจรับทอดจัลงพ่อครับยะถ า, าวาริมหาปุราปริปุเรนเตีสาครังเอวามวาอีโตทินังเกตานางูปกปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิตจตุสัพเพปุเรนตูสังกปา จั น, น, นโธปรณรโสยถ า, ามณิโชติระโยาาสยถาสพีติโยวิปชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กาอยู่โกภวาอภิวาธนาสีลิสนิทจังุทธาปัจจายิโนจตาโรโธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังข อ, อนุโมทนานะเราก็ฝพ อ, พอ เป็นที่ที่พวกเราฝึกกันมาต่อเนื่องนะก็ดีชละจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะพวกเราใช้ได้อย่างน้อยชีวิตนี้ไม่ตกต่ำก็ดีแล้วลนะพวกเรากราบหลงพ่อพร้อมกันนะครับกล่าบครับ